คนเราเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคนะเป็นโชคอย่างยิ่งเลยเพราะาสัตว์อื่นในสังสารวัฏนี่ที่จะได้มีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์นี่นับน้อยมากอนี้เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยชีวิตของเราควรจะเจริญงอกงามก้าวหน้ามากขึ้นที่ว่าเจริญงอกงามหรือก้าวหน้านี่ไม่ใช่ว่ามีเงินมีทอง หรือร่ำรวยมากขึ้นหรือว่ามีชื่อเสียงกิจยศมีอำนาจบริษัทบริวารมากขึ้นอันนั้นไม่ใช่สาสำคัญนะสิ่งสำคัญที่จะวัดความเจริญก้าวหน้าหรือความเจริญงอกงามของชีวิตในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยคือการมีคุณธรรมมีสติปัญญา ซึ่งก็วัดด้วยการที่มีกิเลสตัณหาน้อยลงมีความทุกข์น้อยลงก็รวมไปถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ได้มากขึ้น น, นี้พูดถึงความเจริญงอกงามของชีวิตส่วนใหญ่นี่มันก็ไม่ได้เป็นความเป็นการพัฒนาแบบเส้นตรงนะ คือค่อยๆข ย, ย, ยับสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีการหักเหเหมือนถ้าเป็นเส้นกราฟเลยว่ามันค่อยๆสูงขึ้นแล้วมันก็หักขึ้นแล้วก็พุ่งขึ้นไปนเลยที่เป็นเช่นนี้เนี่ยส่วนหนก็เกิดจากการมีความเพียรแล้วก็ อาจจะได้รับการแนะนำถึงการดาเนินชีวิตที่ถูกต้องแต่ประจัยษ์สำคัญอีกอย่างนึงคือการได้พบกับครูบาอาจารย์ซึ่งทำให้ชีวิตเปลี่ยนเลยเป็นความเปลี่ยนแปลงที่สำหรับบางคนนี่มันเกิดขึ้นเร็วมากในช่วงเวลา ไม่กี่นาทีเลยได้ซ้ำานะก็ว่าได้อย่างในสมัยพุทธกาลนี่ก็มีบุคคลแบบนี้เยอะมากนะที่ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยเพียงเพราะว่าได้พบพระพุทธเจ้าหรื อ, อพระสาวก อย่างเช่นอุปติสสะเนี่ยซึ่งภายหลังก็เป็นบวชเป็นภาษาลิบุตรเนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่แสวงหานะแต่ว่าก็ยังไม่ได้พบทางจนถ้าวันหนึ่งเนี่ยเจอหรือพบภาสัชิเดินอยู่บนถนน ก็สังเกตว่าในท่านมีผิวพรร์ผ่องใสแล้วก็สงบเย็นคือความสะดุดใจก็เลยถามว่าเนี่ยใครคือาศาสดาของท่านาศาสดาของท่านสอนว่าอย่างไรภาสัชชีก็ตอบว่ า, าศาสดาของเราคือ พระพุทธเจ้าแล้วท่านสอนว่ายางไรแล้วนะอุปติสาวกถามพระสัจจีนท่านน่าจะเป็นพระอรหันต์นะเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์เนี่ยแต่ท่านก็เป็นผู้ที่ไม่ได้สามารถในการเทศนามากจางกระตอบสั้นๆนะ นั่นตอบว่าเนี่ยทำใดเกิดแต่เหตุพระธราคตกระตุ้นเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสัมณะานเนี่ยตัดอย่างนี้ว in ่าทนะําใดเกิดแต่เหตุนีนก็หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ตามที่เกิดแต่เหตุเนี่ยพระเจ้าก็สอนเหตุแห่งสิ่งนั้นโดยเพราะความทุกข์และความดับแห่งสิ่งนั้น ตอบสั้นๆ น, นะแต่ว่ากินความได้ครอบคุมแล้วก็ลึกซึ้งมากอุปติสตรได้ยินเนี่ยก็เกิดดวงตาเห็นธรรมเลยนะเป็นพระโสดาบันเรียกว่าชีวิตเปลี่ยนเลยนะเพียงแค่ได้พบพระอัสชินะนะไม่กี่นาทีเนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ออกบวช พร้อมกับเพื่อนนะโพลิตตะซึ่งก็บรรลุธรรมเหมือนกันจากธรรมะสั้นๆที่ท่านอุปติสสะนะเล่าให้ฟังก็เรียกว่าชีวิตเปลี่ยนทั้งคู่นะเพียงเพราะว่าได้พบผู้ที่น่าเลื่อมใสและประกอบไปด้วยปัญญาอาภุดุชนจำนวนไม่น้อยเนียเน่ยก็ มีประสบการณ์คล้ายๆกันชีวิตเปลี่ยนเพราะว่าได้เจอใครบางคนเช่นครูบาอาจารย์ที่น่าเคารพนับถือซึ่งในทางาศาสนาถือว่าเป็นกัลยาณมิตรพอเจอเข้านี่บางคนก็เจอเพียงแค่ช่วยประเดี๋ยวเดียวหรือได้ฟังทำไม่มาก ก็เกิดปัญญาหรือว่าเห็นคำตอบของชีวิตเลยอย่างหลายคนเนี่ยที่ได้มาพบหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยได้ฟังธรรมจากท่านหรือบางทีได้ฟังคำตอบจากท่านจากคำถามที่เขาสงสัยถามท่าน นะความพูดมีดประโยชน์นี่ก็ทำให้หลายคนนะชีวิตเปลี่ยนได้ทันมาสนใจเรื่องการเจริญสติการทำความรู้ตัวอาที่เคยเพลิดเพลินหลงไปในทางอื่นก็เปลี่ยนบางคนอาจใช้เวลาหน่อยนะ แต่ก็เปลี่ยนได้นะยังมีบางคนเนี่ยเรียกว่ากลุ่ม อ, อกกลุ่มใจมากถ้าจะไปโรคซึมเศร้าแต่พอได้ไปบวชแล้วก็มาอยู่กับท่านไม่นานนะจิตใจก็สว่างเลยกลับมาเป็นผู้เป็นคนแล้วก็สามารถจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข กว่าคนอื่นๆที่จริงหลวงพ่ออเถียนช่วยท่านก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนพ่อหลวงพ่อเทียนแต่ว่าใช้เวลานะกว่าจะกว่าจะเกิดจุดเปลี่ยนแต่ว่าพอได้ปฏิบัติทำตามคามแนะนาของท่านเนี่ยแล้วเกิดเห็นทำขึ้นมาช่วตก็เปลี่ยนทันทีเลยนะ จากเดิมที่เป็นครือข่ายก็ก็ถึงนะชีวิตของเลือนน่ะมาบวชแล้วก็ทําความเพียรว่าทั้งเป็นครูบาอาจารย์ของผู้คนมากมายแล้วก็ได้ช่วยให้ชีวิตของหลายคนเนี่ยได้เปลี่ยนของคนก็เปลี่ยนเร็วแต่บางคนก็ค่อยๆเปลี่ยนทีละนิดทีละิด พูดถึงการเปลี่ยนเนี่ยของชีวิตคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าเจอครูบาอาจารย์ที่เปลี่ยนด้วยคุณธรรมหรือว่ามีปัญญาหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าได้รับคำแนะนำสั่งสอนที่ทาให้เกิดปัญญาขึ้นมา แต่บางคนเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าเจอแรงกระแทกหรือว่าถูกกระทบบางทีก็ไม่ใช่เป็นคำแนะนำสองซ้อนหรือว่าการให้กำลังใจด้วยซ้ำนะแต่เป็นคำต่อว่าอย่างหลว่าเทียนเนี่ยนะก่อนที่ท่านจะบวชแล้วก็สอนกรรมาฐานกับผู้คนมากมายรวมทั้งหลวงพ่อคำเขียนนะ ท่านก็เป็นพ่อค้านะ ต, ตอนที่เป็นพ่อค้าเนี่ยเจ้าว่าไปก็ประสบความสำเร็จทีเดียวเลยเพราะท่านเป็นคนที่มีคุณธรรมมีความขยียรมันเพียรรูจักเก็บหอมรอมริบแต่ท่านก็เหมือนกับคนทั่วไปในสมัยนั้นนะก็สนใจทำมากก็จริงก็สนใจแต่ในแง่การทำบุญขยันทาบุญ เป็นผู้นำชวนคนทำบุญมีคราวหนึ่งนะท่านเป็นเจ้าภาพทอดกระถินที่เมืองลาวนะเพราะว่าบ้านเกิดของท่านเนี่ยมันก็อยู่ใกล้แม่น้ำโของอ ย, อยู่ติดแม่น้ำโขงเลยนะเพราะฉะนั้นท่านก็ขึ้นลงแม่น้ำโขงค้า ข, ขายแล้วก็เดินทางข้าไปเมืองลาวค้า ข, ขายอยู่ บ, บ่อยๆตอนนั้นท่านก็ มีฐานะดีแล้วแล้วในการทอกระถินนี่ท่านก็มอบหมายนะให้ภรรยาเนี่ยดูแลเรื่องค่าใช้ใจ่ายเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยโดยเฉพาะเกี่ยวกับหมอรศเนี่ยซึ่งมีการจ้างหมอลำหนังกลางแปลงแล้วก็คงมีประเภทลูกทุ่งอะไรด้วยเนี่ยหรือดนตรีเนี่ย ก็มอหมายให้ภรรยาเป็นผู้จัดการเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนท่านนี่ก็จะรับแขกนะแล้วก็ถือศีลแต่มีเช้าวันหนึ่งเนี่ยช่วงจัดงานเนี่ยภรรยาก็มาถามท่านว่านเนี่ยหมอลำเนี่ยจะจ่ายเท่าไหร่응ท่านฉฉนมากเลยนะโกรธมากเลยเพราะว่าคุยกันแล้วนะแล้วยังมารบกวนท่านอีก สมตตอนนั้นนี่มันโกรธมากชนิดที่เรียกว่ารู้สึกหนักจนเกือบจะลุกไม่ขึ้นนะมันตำใจเลยแต่ก็คุมอารมณ์อยู่นะไม่ไม่พูดออกไปแต่ก็ขุนมัวนะทั้งวันเลยจนทอดกรสินเสร็จตอนเย็นก็กินข้าวท่านก็ยังไม่หายโกรธนะแล้วก็พูด ก็ขึ้นมาว่าเนี่ยคนไม่รู้จักเคารพนับถือกันก็อย่างนี้แหละพูดให้ภรรยาซึ่งนั่งกินอาหารอยู่ด้วยฟังพูดหลายครั้งนะน้ำเสียงแล้วก็อารมณ์เนี่ยก็ทาให้ของท่านก็ทำให้ภรรยาเนี่ยสงสัยว่าสงสัยจะโกรธอะไรสักอย่างพอถามสาเหตุเขาแล้วก็รู้สาเหตุก็ภรรยาท่านก็เลยพูดขึ้นมาว่าเนี่ย โอ้เจ้าตกนรกแล้วล่ะทำบุญกฐินเนี่ยบ่ได้บุญดอกก็เป็นคำพูที่แรงนะเจ้าเนี่ยตกนรกแล้วล่ะทำบุญกทินเนี่ยบ่ได้บุญดอกคำพูดนี่แม้จะแรงนะแต่ว่าหลวงพระเทียนเนี่ยซึ่งตอนนั้ น, นยัยงชื่อว่าพันธ์นะ พันเนีพันเนีคือชื่อชื่อจริงของท่านเนี่ยเทียนนี่คือชื่อลูกชายคนโตแทนที่จะโกรธนะกับได้คิดขึ้นมาเลยได้คิดขึ้นมาว่าเนี่ยโอ้ไอเราทําุญทบุญมาม า, มากมายนะแต่ก็ยังโกรธอยู่ท่านก็เลยรู้ว่าเนี่ยไอทำบุญอย่างเดียวมันไม่พอแล้วละทําบุญก็ยังทุกข์นะเพราะว่า ไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจอย่างแท้จริงท่านก็เลยหันมาสนใจเรื่องกรรมฐานแล้วก็ออกสแสวงหานะครูบาอาจารย์แล้วท่านตั้งใจว่าเนี่ยท่านจะทิ้งนะทิ้งงานการเนี่ยไปทำกรรมฐานถ้ายังไม่ค้นพบผลทางก็ยังไม่กลับมาเพราะว่าเชื่อว่าเนี่ย กรรมฐ า, านเนี่ยเท่านั้นแหละที่มันจะเป็นหนทางดับทุกได้แต่ก่อนนี้หลงทำบุญนะทำบุญหนักแต่ก็รู้ว่าสุดท้ายทำบุญก็ยังทุกอยู่นะมันไม่ใช่หนทางแล้วในสุดท่านก็พบนะพบหนทางแห่งการดับทุกโดยการเจริญสติตามแนวที่ท่านได้ค้นพบนะการเจริญสติการทำความรสึกตัว แล้วก็สอนผู้คนเนี่ยตั้งแต่ยังเป็นคาาวานะก่อนที่จะบวชในภายหลังนะไม่กี่ปีต่อมาอันนี้จะเรียกว่าจุดเปลี่ยนของหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะคือตอนที่ถูกภรรยาต่อว่านะว่าเจ้าตกนรกแล้ ว, ลวทำบุญแต่ไม่ได้ไ่ได้บุญดอกเจ้า ธรรมดาคนเราเนี่ยนะพอถูกตอบว่าแบบนี้เนี่ยมันย่อมโกรธนะแล้วท่านเองก็อารมณ์ไม่ดีตั้งแต่เช้าด้วยนีย่ปกติเนี่ยพอถูก ต, ต่อว่าแบบนี้ก็อาจจะโกรธโมโหอาจจะเทียงขึ้นมาว่าเนี่ยก็ตกลงกันแล้วไม่ใช่หรือว่าเรื่องเงินเรื่องท้องเนี่ยเจ้าเนี่ยรับไปดูแล แล้วทำไมยังมาซูซีมาจูจ้ี้เ น, นี่ยถ้าขืนโต้เถียงแบบนี้มันก็บุนวา ย, ยอาจจะเกิดการวิวากันอาจจะถึงขั้นเรียกว่าต่อว่ากันเสียหายถ้าไม่ถึงกับลงไม้ลงมืออย่างที่เกิดขึ้นกันหลายครอบครัวแต่ว่าท่านนะได้ประโยชน์จากคำต่อว่าทำให้เกิดฉูกคิดขึ้นมา จะทำให้หันเนี่ยมาสนใจในเรื่องการทำกรรมฐานนะจนพบผลทางแล้วก็มาสอนผู้คนรนะวมทั้งพวกเราในเวลานี้ด้วยให้คำตอบว่าดาทอเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตคนได้นะสาหรับคนจำนวนไม่น้อยนี่มันอาจจะทำให้ชีว ต, ตกต่ำย่ำแย่นะเพราะทำให้ขาดสตินะบันดาลโทสะ แต่ส้หคนที่มีปัญญานะเมื่อมันกลับกลายเป็นประโยชน์นะมันทำให้เกิดฉุกคิดขึ้นมาทำให้เกิดการทบทวนว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่นะมันยังไม่ใช่ทางมันยังผิดพลาดอยู่มีนักธุรกิจคนหนึ่งนะคนเก่งมากเลยเราก็ประสบความสำเร็จนะตั้งแต่ยังหนุ่มนะ เป็น c ีบริษัทที่มีชื่อเสียงคนก็ชมยกย่องเป็นที่นับหน้าถือตาแล้วก็ธรรมดาคนเก่ง น, นะแล้วก็แลประสบความสำเร็จตั้งแต่หนุ่มเนี่ยนะก็ย่อมมีนะความหลงตัวรวมทั้งอารมณ์ร้อนเจออะไรไม่ถูกใจก็บางทีก็ หลุดปากว่าออกไปโดยเพราะคนที่มีฐานะที่ต่ำกว่าใช่ลูกน้องในตัุกิคนนี้ก็มีคนขับรถอยู่คนหนึ่งนะคนขับรถนี่ก็ดีมากเลยแกก็เป็นคนที่ทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรนะตั้ง อ, อกตั้งใจไม่เคยผิดเวลาแล้วก็สุภาพแต่บ่อยครั้งเนี่ยนะ นักธุรกิจซึ่งเป็นเจ้านายเนี่ยเวลากงหงุดหงิดขึ้นมาก็ก ด, ดไม่ได้นะระบายใส่คนขับรถบางทีคนขับรถทำอะไรไม่ถูกใจหน่อยก็ด่าว่าด่าว่ารุนแรงมีบางวันเนี่ยรถติดเจ้านายหงุดหงิดมากนะเอาเท้าถีบเบาะหลัง เอาเท้าถีบหลังบอาของคนขับเลยเจ้าคนขับก็ไม่ตอบโต้นะแกก็สงบสงเงียบยิ่งทำแบบนี้เนี่ยนะยิ่งสงบสงเงียบเนี่ยเจ้านายก็ยิ่งนะระบายอารมณ์ใส่ถือว่าเป็นคนที่เป็นลูกน้องเนี่ยแล้วก็การศึกษาก็ต่ำจนถึงจุดหนึ่งนะวันหนึ่งเนี่ยนะพอเจ้านายเนี่ย ตวาดใส่อารมณ์คนขับแต่ก็เงียบนะจนกระทั่งขับรถไปถึงบ้านพอขับรถถึงบ้านของเจ้านายเนี่ยคนขับรถก็บอกว่าท่านครับผมขาลาออกครับเอาเจะลาออกเหรอแต่เราก็ยื่นกุญแจให้กุญแจรถเจ้านายครับนี่กุญแจรถนะครับช่วยรับไปด้วยครับ พอเจ้านายรับกุญแจแกก็ออกจากรถแล้วก็เดินไปหน้าบ้านพอออกจากบ้านนั้นเสร็จโชเฟอร์นั้นตะโกนด่าเลยนะตะโกนด่าเลยมึงออกมาออกมาชกต่อยกูนะแนยจริงมันก็ออกมาเลยแล้วกูก็คนมันกันเว้ยนะทำกับกูมันก็ไม่ใช่คนกูทนไม่ไหวแล้วมึงออกมาเลย ออกมาโชกับกูข้างนอกนี่แหละโอ้เจ้านายนตกใจเลยนะไม่เคยไม่คิดเลยนะว่าลูกน้องนี่จะแสดงอารมณ์กับตัวแบบนี้แต่ก่อนนี่สงบสงบเงียมนะพี่นอพี่เทาดูเหมือนพี่นอพี่เทาเลยแต่คราวนี้นี่นะไม่กลัวเลยนะท้าต่อยตีเลยเจอคำท้าเจอคำด่าว่าวันนี้เนี่ย จะช็อกเลยนะใจนึงก็โกรธนะแต่ว่าก็ฉุกคิดขึ้นมาเลยว่าโอ้นี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วบอกว่านับแต่นั้นมานะแกะเปลี่ยนไปเลยนะนักธุรกิจคนนี้จากคนที่ใจร้อนเอาใจตัวเนี่ยนะด่าคน ว่ารายคนเนี่ยตามอารมณ์เนี่ยเปลี่ยนไปเลยอดกั้นมากขึ้นแล้วก็ใจเย็นลงแล้วตอนหลังเนี่ยก็พอเวลาไม่นานก็กลายเป็น CEO ที่มีคนรักเป็นคนถ่อมตัวแล้วก็เคารพและเคารพคนแม้ว่าจะเป็นลูกน้องหรือว่าเรียนต่ำกว่า ก็เอาใจใส่จนกระทั่งคนนี่นะรักมากเลยหลายคนเนี่ยนะก็ออกปากชมนั่นไ่้ว่าเจ้านายนี่ดีเหลือเกินแกบอกว่าเนี่ยแต่ก่อนผมไม่ใช่คนอย่างนี้นะแล้วแกก็เล่าลเรื่องนี้ให้ฟังนีว่าแะแต่ก่อนแกตรงข้ามเลยแต่ที่เปลี่ยนเ น, ยเนี่ยนะก็เพราะเหตุการณ์นั่นแหละ เหตุการณ์ที่ว่าคืออายโดนก็คือโดนลุกอดีตโชเฟอร์นี่ด่าให้โชเฟอร์นี่ก็ดีนะตอนที่ตัวเองทําหน้าที่ไปลูกน้องเนี่ยก็สงบสงี่ยมเตรียมตัวมากเลยแต่พอพ้นจากหน้าที่เนี่ยไม่ยอมลดลาวาซอนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคนที่บางคนในชีวิเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่ามีคนชมหรือว่าเพราะมีครูบาอาจารย์ที่ดีแต่เพราะถูกด่า นะถูกต่อว่าด่าทอแต่มันก็ไม่ให้ทุกคนนะที่ถูกต่อว่าด่าทอแล้วช่วยจะเปลี่ยนเนี่ยมันต้องมีอย่างหนึ่งนะคือรู้จักใคร่รวนใคร่ขวนด้วยการหันมามองตัวว่าไม่ว่าเราทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าเนี่ยอย่างลวงพ่อเทีย น, นยหรือพ่อพันเนี่ยนะก็กลับมาใครค่วร น, นะว่าโอ้นี่เราทำบุญมามากนะแต่เรายังโกรธอยู่เยอะเลย จนเมียนี่ทักท่วงขึ้นมาสาหรับหนวัพเทียนเนี่ยคำต่อว่าของภรรยาเนี่ยมันกลายเป็นคำเตือนนะเป็นคำทักท้วงที่ทำให้ได้สติเกิดปัญญาขึ้นมาเช่นเดียวกันนะซอคนนี้ไอ้คำท้าตีท้าต่อยต่อว่าด่าทอเนี่ยของอดีตลูกน้องเนี่ยมันก็ทำให้เขาได้คิดเลยนะว่าโอ้นี่เราทำตัวแย่นะเนี่ย ลูกน้องถึงเป็นถึงมีอาการกริยาแบบนี้ทั้งที่เขาก็เป็นคนที่ดีสุภาพแต่มีอาการแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมันเป็นพราะเราโดยแท้มันก็ทำให้เกิดการได้คิดนะคนเราเนี่ยไม่ชอบการต่อว่าด่าทอนะแต่ว่าเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจแต่ว่า สิ่งที่ไม่ถูกใจนี่บางครั้งมก็ทำให้เกิดความถูกต้องให้กับชีวิตของเราได้ถ้าว่าเรารู้จักใคร่ครวนนะพระเจ้ายังเคยตรัสนะว่าเนี่ยผู้ที่ตำหนิติเตียนเราเนี่ยเขากำลังชี้ขุมทรัพย์ให้เราแต่ธรรมดาคนเราพอถูกติเตียนนะมันก็คิดแต่จะตอบโต้แล้วก็ กล่าวโทษคนอื่นจะไม่ค่อยยอมรับยอมรับผิดหรือว่ามองเห็นความผิดของตัวแต่โทษคนอื่นตลอดเวลาอันนี้เป็นธรรมดาของอัตตานะที่มันที่มันยอมรับความจริงไม่ไว่าเนี่ยฉันผิดฉันพลาดฉันทําไม่ถูกเพราะนั้นเนี่ยถ้ามันมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะคนอื่นความผิดพลาดเนี่ยเป็นของคนอื่น หรือม่ชนะก็ต้องพยายามตอบโต่นะด้วยการต่อว่าด่าทอให้รุนแรงมากขึ้นแต่คนที่มีสติมีปัญญาน ะ, ะเขาจะฉุกคิดขึ้นมาแล้วก็เอาคำต่อว่านี่มามาม า, มาเป็นคาเตือนมาเป็นกระจกที่ทำให้เห็นว่าตัวเองต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรคนเรานีถาถา่ถ้าจะเจริญเนี่ยมันก็ต้องมีตรงนี้นะ และถ้ามีตรงนี้นะแม้แต่สิ่งที่ไม่ถูกใจคําต่อว่าด่าทอ ม, มก็ทําให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ถูกต้องได้ผู้ที่มีปัญญาหรือผู้ที่หมั่นฝึกตนเนี่ยนะก็ต้องวางจิตวางใจให้ดีถ้าไม่ไม่งั้นเนี่ยมันก็เหมือนคนทั่วไปมึงด่า ก, กูกูก็ด่ากลับแต่ว่าคนที่มีธรรมะคนที่มีหวังความเจริญงอก ง, งามเนี่ย อาจจะต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็เอาเอาคำพูดเหล่านี้มาเป็นครูสอนเราถ้าทำนี้ได้ในะชีวิตมันก็จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้เรื่อยๆเอาค้านี้พนะุทธน้น่ะโอกับ